น, น้อมนอมต่อคุณพระรัตนะไตรข้าราชกาจารงสงศิณเพื่อนสัตหีบุตท่านเจริญธรรมไม่ชี้และญาติธรรมทุกท่านเนาะกนั่งตามสบายสบายเนาะเราก็มาทําวัดเช้ากันเนาะเราก็เจริญสติไปด้วยเนาะการที่เรามาที่วัดป่าสุวรโตเนี่ยก็เรียกว่าเรามาตั้งใจเจริญสติกันตาม มหาสติปฐานเนาะพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมไมว้ว่ามหาสติปฐานนี้เป็นธรรมที่อหนทางเอกนะเพื่อที่จะไปสู่ผลิพานเนาะครนี้เนี่ยมันเป็นหนทางเอกอย่างไรเนาะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นหนทางอะไรที่มันแปลกๆที่มหาสัจจันทร์หรือเป็นเรื่องลึกลับแต่อย่างใด แต่เป็นการกลับมารู้กายรู้ใจเราตามความเป็นจริงเท่านั้นเองเนาะนะอย่างเช่นทรงรแสดงว่าเดินให้รู้ว่าเดินยืนให้รู้ว่ายืนนั่งรู้นั่ ง, น, งนอนให้รู้ว่านอนเนาะตรงนี้ก็คืออเป็นอิริบบททั้งสี่ที่เราอ่าต้องมีประจำอยู่แล้วเนาะคือเราไม่อยู่ในท่าไหนก็ต้องท่า น, นึ่งนะไม่นั่งก็ต้องนอนไม่นอนก็ต้องเดินอไม่เดินก็ต้องยืนเนาะนี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเรา <c oughs> อยู่ในจิวประจำบันโลอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าเรากลับมารู้ใช่ไห ม, หไหมกลับมารูไหมเท่านั้นเองว่าเรากาลังอากายเรากาลังทำอย่างไรมีกิริยาอาการอย่างไรเนาะแล้วก็ตรงแสดงต่อไปว่าเหลวซ้ายแรขวาเดินหน้าถอยหลังคู่แขนเย็ดแขนทรงจีบอลสังฆาติกลมเงยดื่มลิ้มกินเคี้ยวอุจจลระปัสวะ ต่างๆเราเนี่ยก็ให้มีความรู้อยู่ในขณะนั้นว่ากําลังทำอะไรอยู่เนาะสิ่งเราเนี้ยก็จะเห็นว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่ว่าลึกลับอะไรเลยนะให้กลับมารู้ในขณะปัจจุบันนี่แหละว่ากําลังทําอะไรอยู่นะนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่าเนี่ยมันจึงตรงกันข้ามกับสิ่งที่เป็นมาในอดีตเนาะเราจะเห็นว่าในอดีตเราเป็นอย่างไรเนาะ แม้แต่เราแปลงฟันใช่ไหมแปลงฟันทุกๆวันอยู่แล้วบางทีวันละหลายๆครั้งแต่เราเคยสังเกตไหมว่าเราแปลงฟันด้วยความรู้สึกตัวหรือว่าโดยความเคยชินเนาะอันนี้ก็ส่วนใหญ่ถ้าตอบตามความเป็นจริงนะัก็คือเราแปลงด้วยความเคยชินมากกว่าเนาะแทนที่กลับมารู้ว่าขณะใ น, นกลางแปลงฟันนะกำลังทําอะไรอยู่ก็ทำด้วความเคยชิน หรือแม้แต่เราเดินซึ่งเราเดินมาตลอดชีวิตแล้วเราสังเกตไห้ว่าเราเดินด้วยความรู้สึกตัวหรือเป็นความเคยชินเนาะส่วนใหญ่ก็คือโดยความเคยชินตลอดนะคือมันไม่ต้องคิดอะไรแล้วว่ามันกำลังเดินนะแต่มันเดินไปโดยความเคยชินเหลือต้นมัติแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่รู้กาลังเดิ น, นในขณะนั้นใจก็ไหลไปนในอนาณตจัต่างๆเนาะ เช่นความคิดบ้างหรือหลงไปทางตาบ้างหลงไปทางหูบ้างอันนี้คือชีวิตคนเรามันจะเป็นแบบนี้กันตลอดเวลานะไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ก็แล้วแต่มันจะไม่ได้อยู่กับปัจจุบันธรรมนะก็คือมันจะไหลไปทางใดทางหนึ่งอยู่เสม อ, อไม่ว่าจะเป็นความคิดหรือทางตาหรือทางหูหรือทางลิ้นทางกายต่างๆเหล่านี้อยู่ไป็นประจะอันนี้สิ่งที่ว่าเราเรา อไม่รู้ในสิ่งเหล่านั้นนะ่ะเขาเรียกเป็นความหลงไปะหลงไปหลุดไปจปับไปบัญนธรรมนะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือกลับมาอยู่กับไปบัญได้ไหมว่าขณะนี้กําลังทำอะไรอยู่เนาะออย่างเช่นนะความเป็นไปบัญนธรรมนะมันเป็นสิ่งที่มันปรากฏขึ้นในขณะนี้นะเรานั่งอยู่เรารู้ไหมว่าเรานั่งนะอันนี้ถ้าบางคนถามเมนี้ยบอกว่าเอ ร, รู้นะว่ากำลังนั่งนะแต่ถ้าก่อนที่จะถามนะ่นรู้ไหม รู้ไหมว่ากําลังนั่งก็ส่วนมากจะไม่รู้เหมือนกันนะอหรือบางคนอนี่ยกยกมือต่างๆนะอันนี้ก็ต้องรู้ว่ากําลังยกมือจริงๆนะไม่ใช่ว่ายกด้วยความอ่าเป็นความเคยชินนะหรือเป็นอัตโนมัติไปแล้วนะเพราะมันฝึกมาก็มีความเคยชินก็ไม่ได้มานั่งคิดเลยกําลังยกมือนะนะแต่สิ่งลเลนี้ยก็คือเราเราอยู่กับปัจจุบันได้ไหมเนาะ การอยู่ใบบันนี yes ้จริงๆแล้วมันไม่ต้องอาศัยความคิดตัวอย่างใดะเช่นเรานั่งเราก็ไม่ต้องคิดว่าเรากําลังนั่งแต่เป็นความจริงที่ปรากฏในขณะนี้แล้วว่าเรากําลังนั่งจึงไม่ต้องคิดะไม่ต้องคิดว่ากําลังนั่งหรือกําลังนั่งหนอเนาะหรือการที่เรายกมือหรือพลิกมือก็ไม่ต้องคิดว่ากําลังยกมือหรือพลิกมือเพราะมันเป็นความจริงอีกเหมือนกันนะความจริงที่เรากําลังทําอยู่ในปัจจุบันนี้แหละมันไม่ต้องอาศัยความคิด แต่เป็นแค่ความรู้เท่านั้นเองนะหรือเรากําลังได้ยินเสียงนะจากพระเทศก็ไม่ต้องคิดว่ากําลังได้ยินเสียงแต่ก็คือปัจจุบันที่เราได้ยินตรงๆอยู่แล้วนะมันออกจากความคิดได้นะหรืออากาศกําลังเย็นเย็นสบายดีก็ไม่ต้องคิดว่ามันกําลังเย็นสบายแต่มันคือความจริงในขณะ น, นี้นะหรือแม้แต่เราปวดเมื่อยนะเราง่วงนอนนะเราหิว อะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ได้ไปคิดมันเพราะมันคือความจริงในขณะนี้อยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นความจริงในขณะนี้มันไม่ต้องใส่ความคิดมันแก้เป็นความรู้เท่านั้นเองะเพื่อมันเมื่อมันเป็นความรู้มันจึงออกจากความคิดได้นะเพราะฉนั้นไปประดานธรรมก็คือการไม่ต้องคิดแต่เป็นตัวรู้เฉยๆเนาะแต่ในหนาเดียวกันเราก็ไม่ได้ห้ามความคิดนะเออมันจะต้องไม่คิดต้องรู้นั่นเราก็ไปห้ามความคิดนั่นก็เป็นเป็นการที่เราเราก็ไปตั้งใจ เป็นการเพง่งนะเป็นการที่เรียกว่าเราไปแทรกแซงอนะสภาวะธรรมอีกแล้วนะอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะส่วนเนะมื่อวานเราทานข้าวกับอะไรเราก็ต้องมีความคิดนะออทานกับอะไรเนะาะเมื่อวานมันต้องไปอาศัยความคิดดึงเข้ามานะนะหรือเมื่อสักปีก่อนไปเที่ยวไหนะก็ต้องใส่ความคิดนะหรือเย็นนี้จะทําอะไรนะก็ต้องอาศัยความคิดนะ คืออนาคตหรืออดีตนี้ต้องอาศัยความคิดเข้าไปดึงความจําหรือดึงความคิดเข้ามาช่วยนะมันจึงจะได้อาศัยความคิดนั้นดําเนินการต่อไปหรือแม้แต่ไม่ได้ไปดึงอยู่ดีมันก็เข้ามาเองนะเดี๋ยวความคิดก็เข้าไปในอดีตเองไปเที่ยวไหนมาก็คิดไปเองหรืออนาคตจะทําอะไรก็คิดไปเอง น, นัน่นนะมันก็ทํางานมันอยู่แล้วนะเป็นความหลงไปะลงคิดนะ เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถอยู่ปัจจุบันนี้เราก็จะสังเกตได้ว่ามั น, เ ป, นเป็นแค่รู้เท่านั้นเองนะมันไม่ต้องอใส่ความคิดใดๆเลยจากการที่มันรู้นี่แหละมันจะเป็นการพัฒนาไปเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกตัวที่เราอยู่ปัจจุบับนะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเท่านั้นเองนะเราไม่ต้องไปบังคับเขาว่าต้องเป็นแบบนี้แบบนี้นะต้องรูนะ้รู้ตลอดเวลานะาถ้าเราไปตั้งใจรู้ตลอดเวลาก็ไปบังคับเข้าอีกนะนะ เพราะนั้นการที่เรารู้ตามความจริงก็คือเขาสามารถคิดได้นะไม่ใช่ปฏิบัติรําเราคิดไม่ได้แต่ว่าคิดแล้วสําคัญว่าเรารู้ทันไหมนะเขาเขากลับมาอยู่กับปัจจุบันได้ไหมนะโดยที่เราแค่รู้เท่านั้นเองนะไม่ต้องบังคับว่าต้องไม่คิดหรือคิดแล้วต้องกลับมาทันทีนะต้องดึงกลับมาทันทีอันนะั้นก็ไม่ใช่อันนะั้นก็เป็นการไปบังคับเขาอีกนะเพราะการที่เขาคิดไปแล้วเรารู้ทันนั่นแหละ ตรงเนี้ยมันเรียกว่าเราจิตอ่ามันจะตื่นขึ้นมาครั้งหนึ่งนะการที่เราคิดเรารู้ทันได้บ่อยๆนะจิตก็จะค่อยๆตื่นขึ้ น, นมาตามลําดับนะเพราะนั่นหลวงพ่อเทียนก็เลยอ่าได้ย้าเอาไว้ว่ายิ่งคิดก็ยิ่งรู้นะแล้วท่านก็บอกว่าไม่ห้ามความคิดด้วยนะเพราะการที่เราคิดแต่ละครั้งแล้วเรารู้แต่ละครั้งนั่นแหละเป็นการไปเขยาา่าทัดรู้ให้เขาตื่นขึ้ น, นมาเองเนาะ ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็จะรู้ว่าการมาธทำเจริญสตินั้นไม่ได้ทําให้จิตสงบเนาะเพราะว่าถ้าไม่มีใครแนะนําเราก็สนใจก็ตั้งใจให้จิตสงบแล้วก็รู้ตลอดเวลานะเดินโยมก็ต้องรู้ตลอดเวลานะอันนั้นเป็นการบังคับเขาอนะเป็นการไปเพ่งไว้นะเป็นการประคองธาตุรู้อไปประคองตัวรู้เนาะอันนั้นก็ไม่ใช่เนาะ แต่ว่าการที่เรารูบไปตามความจริงเนี่ยแหละก็คือจิตเขาก็ทํางานตามปกติของเขาไม่ได้แบบบังคับเขาอาใจก็จะมีความสบายนะมีความสบายในการรู้ทันความคิดที่เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นการที่เราแค่รู้ความคิดเท่านั้นเองนะในจิตมันตื่นขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วนะเมื่อเรารู้บ่อยๆจิตก็จะตั้งมั่นนะก็จะเกิดการรู้เนื้อรู้ตัวนะตรงนี้เป็นสิ่งประเด็นสําคัญในการเจริญสติในครั้งนี้เนาะ แต่ว่าเราก็ไม่ต้องไปตั้งใจที่จะรู้ความคิดในระยะแรก <c oughs> เราก็กลับมาอยู่ที่ฐานกายให้ได้ก่อนเนาะเพราะาการที่เราอยู่กับฐานกายนั้นนะเมื่อเราอยู่ไปอ่าตามที่เขาเป็นนะก็คือรู้เนะื่อรู้ตัวไปอ่ากายเคลื่อนไหวใจรับรู้นะในการอิรบิบต่างๆอันนี้ก็ง่ายอยู่แล้วนะในชีวิตประจวั น, ะนไม่ต้องใส่ความคิดนะอ่านะบางทีเราไปบัตรธรรมนี่ก็เดินจงกรมยกมือสร้างยางบะเนาะ สวนนอกนั้นก็มีมากมายนะก็เรียกว่าดื่มกินพูดคิดทั้งวันนะเดินไปไหนมาไหนไปห้องน้ำํำทานข้าวนะหรือว่าเดินไปไป น, ไปนู่นไปนี่ก็แล้วแต่นะหวาดพื้นถูพื้นนะทําความสะอาดห้องน้ํา <c oughs> ต่างๆแล้วเนี่ยเราก็เป็นการที่เราว่าเราตามรู้เป็นในตัวได้นะเป็นการปธรรมที่ง่ายๆนะโดยที่ไม่ต้องใส่ความคิดหรือใส่สิ่งที่มันเป็น อืมแปลกๆหรือว่าเป็นเรื่องหัศจรรย์แต่อย่างใดนะเพราะเป็นชีวิตประจำวันที่เราทําได้อยู่แล้วเราก็เพียงจะกลับมารู้ในขณะนี้กําลังทําอะไรอยู่เท่านั้นเองนะ <c oughs> เพราะนั้นเมื่อเราสามารถรู้กายไปเรื่อยๆเราก็เมื่อมีความคิดแวบขึ้นมาเราก็รู้ทันได้เร็วขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปตั้งใจอดูความคิดแต่อย่างใดนะอื <c oughs> แต่ถ้าคนที่ไม่เข้าใจก็ไปตั้งใจดูความคิดนะนั้นก็เป็นการไปแทรกแซงอีกแล้วนะอ่าก็คือไปเพ่งไปคอยดูเขา พอเมื่อเราไปตั้งใจดูความคิดความคิดก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็ไม่คิดนะไม่คิดไปนะตรงเนี้ยมันมันมันจึงผิดความจริงเนาะเพราะงั้นการที่เราอยู่กับชีวิตประจําวันไปเรื่อยๆนี่แหละเราก็สามารถเห็นความจริงที่ว่าจิตของเขาเนี่ยนะเขาคิดไปแล้วคิดไปแล้วได้เนาะเราก็เห็นความคิดได้ง่ายขึ้นนะโดยการที่เราไม่ได้ไปตั้งใจดูความคิดแต่อย่างใดนะแต่กลายว่าเราสามารถที่จะเห็นได้ตามความเป็นจริงเนาะ การที่เราเห็นความคิดนั่นแหละเป็นการไปเขย่าท่านรู้เพราะว่าวิธีการนี้เราก็เรียกว่าเป็นการเขย่าท่านรู้ให้ตื่นขึ้นมาคนเรามีท่านรู้ทุกคนอยู่แล้วก็เรียกว่าวิญญาณธาตุนะวิญญาณธาตุก็คือท่านรู้นะท่านรู้นี่แหละคือธาตุแห่งความเป็นพุท ธ, ธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะพอเร า, ขาเขย่าก็ได้ระดับหนึ่งเขาก็จะกลายเป็นผู้รู้ขึ้นมานะเขาก็สามารถรู้กายรู้ใจนะตามที่เขาเป็นได้จริงๆ นะแล้วก็เป็นผู้ที่รู้นึ้รู้ตัวในสุดจิตก็จะตั้งมั่นนะว่าจิตตั้งมั่นก็จะเห็นรูปเห็นนามทำงานแยกรูปยยกนามนะเห็นกายเห็นใจทำงานนะแล้วก็เห็นมาไตรลักณสามารถที่จะเห็นสภาวะความจริงในความเป็นอนิจจังทุกขังนักตาอันนี้ก็คือสภาวะที่มันตามมาจากการที่เราสามารถรู้นื้อรู้ตัวได้นะ เพราะในในขั้นแรกแล้วก็รู้ทันความจริงในทางกายไปก่อนนะเราก็ไม่ได้บังคับอะไรเข้าแต่รู้ไปเรื่อยๆรู้เปขณะขณะเนาะไม่ต้องรู้ยาวๆนะเพราะลวงพ่อเทียนก็เลื อ, อกแบบว่าให้รู้ตอนเอริ่มลุกโซ่เขาบอกว่ารู้ตอนเอริ่มลุกโซ่คือตรงนี้อพระอาจารย์ไพศาลก็เคยปฏิบัติรรมกับหลวอเทียนใหม่ๆก็ถามว่า <c oughs> จะปฏิบัติธรรเวลาไหนบ้างครับหลวงพ่อเทียนบอกว่าให้ปฏิบัติตั้งแต่ตื่นนอนถึงเข้านอนเลยนะก็คือปฏิบัติทั้งวัน นะแต่ไม่ใช่ว่าในรูปแบบทั้งวันแต่ว่าไปบัติด้วยการที่เรารู้ในขณะนั้นว่ากาลังทำอะไรอยูนะ่เช่นอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันนะ พ, พับพรนะพรมหรือเข้านอนนะก็คือรู้ไปในอิปะต่างๆที่ปรากฏขึ้นมานะตรงนี้ก็คือรู้ทั้งวันนะแต่ไม่ใช่รู้ทีเดียวต่อเนื่องทั้งวันมีคําว่ารู้เป็นลูกโซ่อยู่ด้วยนะลูกโซ่ก็คือรู้เป็นครั้งๆเป็นขณนะๆเป็นจุดๆนะ ไม่ได้รู้ยาไปเหล็กเส้นนะถ้าเรารู้เป็นยาวไปเหล็กเส้นก็คือเราไปประคองตัวรู้นะเราก็คือไปตั้งใจรู้ยาวๆนะนั่นก็เป็นการที่เราเราไปบังคับใจเขาอีกแล้วนะให้เขารู้ยาวๆนั่นแหละแต่เมื่อเรารู้ตามความเป็นจริงก็คือเขาก็รู้แล้วก็หลงได้รู้แล้วก็หลงได้หลงแล้วก็กลับมารู้ใหม่เนี่ยตรงนี้มันสําคัญมากที่ว่ามันจะกลับมาจิตตื่นเพราะว่าเขาหลงแล้วเรารู้ทันน มันก็จะเข้าประเด็นที่ว่าการบารรมที่แท้จริงนั้นก็คือเรารู้ตามที่เขาเป็นไม่ใช่ให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการเนาะเพราะถ้าเราให้เขาเป็นไปตามเราต้องการคือเราก็คอยไปบังคับเขานะกดกดคมเขาให้เขารู้ตามที่เราต้องการนะให้เขาเป็นตามเราต้องการเช่นเขาไม่ดีทำเขาดีนะเขาไม่สงบทำาเขาสงบนะเขาฟุ้งซ่านทำให้เขาหายฟุ้งซ่าน เขาคิดก็ทําให้เขาหยุดคิดนะเขาโกรธก็ทําให้เขาหยุดโกรธอ่ะต่างๆเหล่านี้นะอันไหนก็คือเอาไปบังคับให้เป็นไปตามเราต้องการนะสภาะวะการบังคับให้เป็นไปตามต้องการนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นนะก็คือประการแรกก็รู้สึกว่าเราบังคับเขาได้เนะอ <class> <c oughs> เราเก่งนะอ่ะมันก็จะมีตัวตนของเราขึ้นมาว่าเราบังคับบัญชาก็ได้ะเราก็อ่ะเป็นคนเก่งอ่ะมีตัวตนเมตตาตัวตนเพิ่มขึ้นมาเนาะ แล้วเมื่อทําได้เช่นนั้นนะเราก็มีความยินดีมีความพอใจนะแล้วมันก็ไม่เห็นสภาวะที่เขาเกิดระดับได้โดยตัวเขาเองนะเพรอเราไปแทรกแซงเขาแล้วเราก็จะไม่เห็นสภาวะธรรมที่เขาเกิดแล้วระดับได้เองเนะแต่ถ้าเรารู้ไปตามความเป็นจริงนะเราก็ไม่ได้ไปบังคับอะไรเขาอ่านะเช่นมีความคิดเราก็ไม่ต้องไปบังคับก็หยุดคิดนะหรือไปช่วยเขาคิดนะแต่ว่าเราก็แค่รู้เฉย นะมันก็จะแสดงสภาวธรรมที่ว่าเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนะตรงนี้เป็นการแสดงเมตไตยรักษ์ให้เราเห็นปรากฏชัดเจนในขณะนั้นนะมันก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาในการเห็นมตไตยรักษได้นะถึงสภาวธรรมที่เกิดระดับเนาะในขณะเดียวกันเราก็ไม่มีตัวตนที่จะไปบังคับอะไรเขาแต่ตรงกันข้ามเราก็กลายเป็นว่าเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้นะความคิดเขาเกิดขึ้นมาแล้วก็กระดับไปนะไม่ใช่ตัวเมตตนเรามีหน้าที่แค่ดูเท่านั้นเอง นะมันก็จะออกจากความเป็นตัวตวนได้ง่ายขึ้นเนาะมันก็จะเกิดประโยชน์ในตรงนี้ว่าการที่เราไปบัตรโดยการไปบังคับนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าคือสมถกรรมฐานส่วนการที่เรารู้ตั้นเขาเป็นนั้นนะไม่ได้ไปแทรกแซงสถาวัธรรมใดๆกล่าวได้ว่านั่นคือวิปัสสนากรรมฐานเพราะว่าเป็นการบวแลว้ไปบัติรรมตรงนั้นแล้วสามารถเห็นพระไตรลักษณ์ได้นะผู้ที่เห็นพระไตรลักษณ์นั่นแหละชื่อว่าดำเนินในวิปัสสนากรรมฐานเนะ อ่าเมื่อใจอาสามารถที่จะออยู่กับปัจุบันได้เรื่อยๆนะมันก็เหมือนกับเรามีเครื่องอยู่ของใจนะซีอสายกายเคลื่อนไหวหนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นเครื่องอยู่ของใจนะการที่เรามีเครื่องอยู่ของใจนั้นนะ่ะมันจะเป็นเหตุให้เรียกว่าจิตมันตั้งมันได้ง่ายขึ้นนะจิตตั้งมันก็จะรู้เนือ้อรู้ตัวได้ง่ายขึ้นหลังนั้นจิตก็จะดําเนินไปใ น, ใ น, ใ, นในวิปัสสนาได้ง่ายขึ้นก็จะเห็นรูปเห็นนามตามความเป็นจริงนะ เพราะว่าอะไรเพราะว่ากายเนี่ยเขาก็จริงๆแล้วนะถ้าเราเดินจงกรมเราก็สามารถดูได้ในระดับหนึ่งว่ากายก็เดินไม่ใช่เราเดินเนาะใหม่ๆก็คือเราเดินแต่เมื่อเดินไปแล้วก็จะรู้สึกว่ามันก็เป็นแค่กายเดินนะในขณะที่กายเดินไปมันก็มีความคิดนะเราก็เป็นผู้ดูนะเห็นความคิดมันก็ทํางานเองนะในขณะที่มันเดินเราเป็นผู้ดูกายเดินในขณะที่มีความคิดเกิดขึ้นเราเป็นผู้ดูความคิดเกิดขึ้น ตรงนี้มันแยกแล้วนะระหว่างรูปและนามกายและใจมันแยกแล้วโดยที่มีเราเป็นผู้ดูนะเมื่อก่อนเราก็เป็นผู้เป็นก็คือเราเป็นผู้เดินเราเป็นผู้คิดนะแต่ถ้าเราไปบัตรรมจนมันแยกออกมาเป็นติดตั้งมัน่นก็จะสามารถที่จะเป็นผู้ดูได้ว่าเออกายมันเดินนะใจมันก็คิดไปเนี่ยมันก็แยกให้เราเห็นเนาะตรงนี้เราก็สามารถเห็นได้บ่อยๆ <c oughs> จากการที่เราเดินจงกรมหรือยกมือสร้างจังหวะหรือทําอะไรก็แล้วแต่เนาะ เป็นสภาวาธรรมที่เราสามารถเห็นได้เพียงแต่ ว, ว่าเรานะต้องอย่าไปเบื่อในการดูนะสิ่งสำคัญก็คือเราจะมีความง่วงและความเบื่อนะเราผ่านความง่วงได้ไหมนะผ่านความง่วงเสร็จก็จะมาเจอความเบื่ออีกนะเพราะการที่เราทำอะไรซ้ำๆนั่นแหละมันก็จะเกิดการเบื่อขึ้นได้ง่ายๆน ะ, ะเช่นเรารับประทานอาหารนะเรารับประทานอาหารอย่างเดียวกันนะคือสมมติว่าทานแกงนี้นะ ทุกๆวันนะวันละสามครั้งนะมันต้องเกิดความเบื่อแน่นอนนะเพราะมันเป็นสิ่งเราชอบใจก็จริงแต่เมื่อทำไปบ่อยมันก็จะเบื่อเพราะฉะนั้นจิตมันก็จะเบื่อในการปฏิบัติธรรมมันก็ทําซ้ําๆอยู่เช่นนั้นนะตรงนี้ก็จะต้องมีความอดทนในการเห็นนะถ้าเราอดทนแล้วเราเห็นมันผ่านตรงนี้ได้จิตก็จะเข้าใจเราก็จะอก็จะตื่นขึ้นมานะนะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่อดทนก็จะเกิดความเบื่อหน่ายในการปฏิบัติธรรม แต่เราสามารถที่จะผ่าและจิตตื่นได้มันก็จะรู้ว่าเออตรงนี้มันตื่นแล้วนะมันก็จะเกิดความไม่เบื่อไม่น่ายขึ้นมาไม่ง่วงด้วยนะอ่ามันจึงต้องเราต้องมีความอดทนในการปฏิบัติธรรมนะเหมือนกเราสีไฟนะเราสีไฟแล้วก็หยุดสีก็หยุดมันก็ไม่เกิดไฟมันก็ต้องสีให้ต่อเนื่องมันจะเกิดไฟเมื่อเกิดไฟแล้วก็รู้ว่าเออตรงนี้มันถูกต้องแล้วนะไม่ต้องมีใครมาบอกเราเราก็รู้ว่ามันถูกต้องแล้วนะจิตก็จะตื่นรู้ขึ้นมานะตรงเนี้ย หลังนั้นน่ะสภาวะธรรมที่มันเกิดต่อๆมานะมันก็คือเราก็จะเห็นอสภาวะจิตนะเช่นความคิดเข้ามาแล้วก็ไปความคิดเข้ามาแล้วก็ไปนะมันจะเห็นความจริงในตรงนี้เลยนะอ่าตรงเนี้ยถ้าเราเห็นตรงนี้จิตก็จะเริ่มเข้าใจในตั้งใรักแล้วว่าระบังคัาบัญชาก็ไม่ได้นะะความคิดเข้ามาแล้วไปนเข้ามาเองเข้าว่าไปเองนะมันไม่ใช่ตัวเมตตนของเรานะหรือเราปฏิบัติธรรมแล้วนะเเมื่อวายมันดี มันดีมากมีความรู้ตัวกับทั้งวันวันนี้ก็ไม่ค่อยดีแล้วนะมันหลง บ, บ่อยๆหรือหลงกับทั้งวันนะถ้าคนปฏิบัติธรรมแล้วก็จะมีความทุกข์ว่าเออทำไมเราเออบางคนปฏิบัติมาต้องนานแล้วนะทําไมมันไม่ดีถาวรนะมันทํำไมไม่ดีถาวรก็คือมันทําไมไม่รู้สึกตัวทุกๆวันทุกๆครั้งที่เราอยากรู้สึกตัวแต่นั่นคือความจริงว่าเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้นั่นเอ ง, เองนะเขาจึงแสดงความไม่เที่ยงเราเห็นว่าบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดี แต่ความที่เรายึดว่ามันต้องดีนั่นแหละการเอาดีมันก็เลยเราก็เลยมีความทุกข์อันนี้คือลักษณะของคนทั่วไปที่ยังไม่เห็นมาไตรักษเนาะแต่คนที่เขา้าใจข้อไตรักแล้วว่าทุกอย่างอ่าบังคับบัญชาไม่ได้มันจึงไม่เที่ยงมันจึงเป็นทุกขนะ์เพราะงั้นการที่เขาแสดงความจริงว่าเมื่อวานนี้ดีวันนี้ไม่ดีนั่นแหละเขาแสดงความจริงว่าเราบังคับเขาไม่ได้แล้วเขาจึงแสดงความไม่เที่ยงเราเห็นเนาะถ้าเราเข้าใจตรงนี้มันจะเปลี่ยนพิกจากการที่เรามีความทุกข์มากลายเป็นมีปัญญาขึ้นมาเห็นความจริง ในภาวะธรรมที่เขาเป็นสยธรรมว่าเราบังคับเขาไม่ได้เขาจึงไม่เที่ยงนี่มันก็เกิดเป็นยาเห็นความจริงขึ้นมาแล้วเนะจีก็จะเริ่มเข้าใจในการที่ว่าเมื่อบังคับบัญชาเขาไม่ได้เขาก็าจึงไม่ใช่ตัวไม่ตนของเราอ่าหลังนั้นก็จะก็จะเริ่มเกิดการปล่อยการวางการมีติดเนาะเหมือนก็ที่เราอ่าสวดมนต์มาสักครู่นี้ในติลกณาที่คาถาโยนะบอกว่าสัพเพสร้างข้าราอนิจจติยธาปัญญายะปัสสติ เมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงอะานิพินทติทุเขเเอสสมัคโววิสุทธิยาเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยในยในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพันิพาณอันเป็นธรรมหมดจดเนอะก็คือเมื่อเราเห็นอ่าเข้าใจอ่าในความไม่เที่ยงในความทุกข์นะว่าสิ่งเราเนี่ยอ่ามันเป็นสภาวะที่เราบังคับก็ไม่ได้เขาจึงเป็นฉะนนั้นเองนะหรือเห็นธรรมะ นะสัพเพทำรรมมาเนี่ยเป็นอน ต, ตาก็คือทำทั้งวงเป็นน ต, ตานะมันก็จะเกิดการเบื่อการหน่ายในความทุกข์ในความหลงที่เราไปยึดเอาไว้ในความเป็นตัวเป็นตนในควธรรมต่างๆที่เราไปยึดเอาไว้ทั้งหมดนะมันก็จะเกิดการปล่อยกันวางนั่นแหละเป็นหนทางแห่งผลิพาัฑ์อันเป็นทางหมดจดหรือเป็นทางพ้นทุก์นั่นเองนะเพราะการประดิษฐทั้งหมดมันไม่ได้มาสรุปตรงไหน สรุปว่ากลับมาเห็นเมตไตยรักษได้ไหมนะเห็นความเป็นอนิจจังความไม่เที่ยงทุกขงังอนัตตาความไม่ตัวไม่ตนบังคับบัญชาได้ไหมไม่ได้เท่านั้นเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นการปฏิธรรมนี้มันจึงไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติไปอ่าเพื่อที่จะต้องการอะไรแต่เพื่อการรู้ความจริงในกายและใจนี้เท่านั้นเลยว่ามันไม่ตัวไม่ตนของเราเนาะอันนี้มันจึงเป็นหนทางแห่งความพ้นทุกข์ ขนทางนี้มันจริงๆแล้วมันก็ไม่ยากนะเพียงแต่เราต้องสังเกตเข้าไปบ่อยๆเห็นเขาบ่อยๆเท่านั้นเองนะจิตก็จะเริ่มเข้าใจในธรรมะในระดับนี้นะครูบาอาจารย์ท่านก็เข้าใจมาแล้วท่านก็นํามาบอกเราเพียงแต่ว่าในขณะนี้นะเรากลับมาลูกายไหมไหมรู้กายเราไห ม, ร, ร, ไมรู้ใจเราไหมในขณะปัจจุบันนี่แหละเนาะถ้าเรากลับมาลูกายรู้ใจในสุดเราก็เห็นตตรลักเองว่าเออเขาก็เป็นแบบนั้น น, น, นะเราบังคับบัญชาอะไรเขาไม่ได้หรอกอขนทางแห่งความพทุท์มันก็ไม่ยากนะ เพราะฉะนั้นการที่เรามาปฏิบัติธรรมในส่วนนี้คือเรารู้จักทุกไหมทุกที่เกิดในกายและใจนี้เรารู้จักเข้าไหม LLC, uman? มาเมื่อกี้ถ้าเราสวดไปแล้วนะทุกในกายมันก็มีนนะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายการประสบกับสิง่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกการประสบกับพัดภ้ากระจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกความปานหาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกว่าโดยย่ออุเทานขันธัห้นั่นแหละคือตัวทุกอุเทานขาันธัง5ก็คือกายและใจนี่แหละคือตัวทุก เนี่ยเรารู้จักเขาไหมเนาะเนี่ยนะปรารแรกเราก็ต้องรู้จักความทุกข์ให้ได้ก่อนเนาะแต่เมื่อเราไปทําเราก็จะเห็นมันทุกข์จริงๆนะเนี่ยตอนนี้เรานั่งนะเราปวดเมื่อยมันทุกข์แล้วใช่ไหยหิวก็ทุกง่วงก็ทุกข์มนาะความจริงเป็นแบบเนี้ยเราเห็นทุกข์เขาไม่ละมยนะเมื่อเห็นทุกข์แล้วเราก็จะได้หาทางออกจากความทุกข์นะก็คือกลับมารูความจริงของกายและใจนี่แหละว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นรูปตานะกลับมารูความจริงตรงเนี้เขาเรียกว่าเราเดินปัญญาเดินมัไตารัก จากสติปัฏฐานสีท่ทวเจ้าบอกไว้ง่ายๆว่ายืนเขารู้ยืนเดินรู้เดินนั่งรู้นั่งนอนรู้นอนะดื่มกินพูดคิดก็ให้รู้ในขณะนั้นตรงนี้เราจะเห็นความจริงมันชัดเจ น, นว่าสภาวะธรรมต่างๆนั้นเราเป็นไปเพื่อแก้ทุกข์เท่านั้นเองเพื่อกลับมารู้ความจริงในขณะนั้นว่าความทุกข์เกิดขึ้นมาตั้งอยู่ลระดับไปนในพุทธกิจก็เกิดการปล่อยการวางกายมายึดติดห น, นทางเห็นความพ้นทุกข์มีอยู่นะอยู่ที่ว่าเราเดินถูกทางไหม นะแต่เราเดินไม่ถูกทางก็จะไปติดในง่านมุมต่างๆเนอะอ่ามันจะมีวิธีการแบบต่างๆที่เราไปติดในง่านมุมมากมายนะเช่นติดในมิมิตบ้างติดในความสงบบ้างเนะมันเป็นความสงบมีความสุขในตรงนั้นก็ไปติดในตรงานั้นติดก็ไม่ได้เดินปัญญาต่อแต่วิธีการเจริญสตินั้นไม่ได้ไปติดในอะไรเลยนะมันเป็นการเห็นตามความจริงในแต่และขณะตขณะเล็กที่เกิดขึ้นแล้วในขณะที่เกิดขึ้นนั้นมันแสดงว่าใจรักอยู่ในตัวอยู่แล้วนะ เพราะนั้นจึงอาจากล่าวได้ว่าความหลงและความรู้มีค่าเท่ากันเพราะว่าเขาแสดงพระไตรักษเสมอกันนะอยู่ที่ว่าเราสังเกตเข้าได้ไหมเราเห็นความจริงได้ไหมเนาะเพราะฉะนั้นการที่เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันบ่อยๆนั่นแหละตรงเนี้คือทำมาสําคัญที่ว่าเราจะสามารถเห็นไตรลักษณได้เร็วขึ้นนะเพราะปัจจุบันนั้นมันแสดงความจริงในกายและใจนะแสดงพระไตรลัก์ตลอดเวลาในกายและใจของเราอยู่แล้วเนาะมันจะมีการคิดที่มันเปลี่ยนแปลงทั้งวัน กายก็เปลี่ยนแปลงทั้งวันยืนเดินนั่งนอนทั้งวันทนอยู่ในภาวเดินไม่ได้ทั้งวันนั่นแหละคือความทุกข์นะเพราะฉะนั้นเมื่อเรากลับมาเห็นบ่อยแล้วจิตก็เริ่มเข้าใจนะเมื่อจิตเข้าใจก็เริ่มปล่อยเริ่มวางเริ่มไม่ยึดติดเริ่มคลายออกจากตันหาทั้งปวงนะและนี่ก็หนทางให้ความพ้นทุกข์คือมรรคานนะเพราะในนี้นในท้ายสุดนี้ก็ขอรัตนาบา ร, รมีคุณพระตาไตรัยน้อมนำทุกท่านจเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญามานะถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้โดยเร็วพัดทุกท่านเทิด